บุกทูยี่สิบเก้าเดวินวเซตที่ร้านอาหารหนึ่งรสานอาหน่โต๊ะนี้ว่างไหมคะเย t ามีซาโปรสตา ดิฉันอยากได้รายการอาหารค่ะ l a h k โ p ร o s ิมโดบิมเยดิลนีลิสต์คุณมีอะไรแนะนำไหมคะคายลักโกร์ปริพอร์ชิตะดิฉันขอเบียค่ะรัตบิพีวรัดบิพีว ดิฉันขอน้ำแร่ค่ะ rad bimineral no vodo rada bimineral no vodo ดิฉันขอน้ำส้มค่ะ rad bimaranchni sok rada b i m a r a n c n i sok ดิฉันขอกาแฟค่ะ rad bicavo รัดาบิคาโวดิฉันขอกาแฟใส่นมค่ะรัตบิคาโว s มลีคอมรัดาบิคาโวสมลีคมกรุณาใส่น้ำตาลด้วยนะคะสลาดคอริอันโปรซิมดิฉันขอชาค่ะรับิชายรดบิชาย ดิฉันขอชาใส่มะนาวค่ะรัต บ, บิช l ยสิมโรบชัย li โมโ น, บบมโมโนดิฉันขอชาใส่นมค่ะรัต บ, บิชัยส์มเลคมร da บ, บชัสม์มคมคุณมีบุหรี่ไหมคะอมาสต คุณมีที่เขียบุรีไหมคะลักโคโดบิมเปเปโนิกคุณมีไฟไหมคะอิมาเตอเกนดิฉันขาดซ่อมคะ่ะมังคอยอมีวิลิซดิฉันขาดมีด ค, ะค่ะมังคะมีนอช ที่ฉันขาดช้อนค่ะมันค่ะมิจลิตะ